การโรนน่ากับกกินนเป็นเรืยองกันราเพราะการรับษารยู่ทุกวันทีเท้าเจ็บจะมารูษทันคารปาแรงขึ้นเบียนเจ็จนั่นหมดเจ็บกันกับขาจหลับที่ใช่กันมาทุกทุกคนเราทอบข้าเปอยอยู่เสมอเป็นกิสัยมาดั้งเดิมไม่ว่าจะขับขันวันนั้นใด ต้องเห็นแต่ตัวอยู่ภายในอย่างลึกลับแต่หลักธรรมะธรร ม, รรมสอนของพุขธุจ ร, ริไ ม, ไม่เห็นไม่เห็นความเห็นเข้าข้างตัวแต่ให้มีความเห็นเข้ากับหลักผลคือความถูกต้องวิญญาณถ้าตนทําไม่ถูกมีผู้อื่นตัดตนวยังสอนเหมือนกับเขายกสิมซับให้ว่าง ไม่เช่นนั้นคนอิงความผิดพลาดของตนไม่มีทางทีจ่จะแก้ไขว่าอยู่เรียกไปได้จึงต้องอาศักันและกันอยู่ด้วยกันจนหนเป็นคณะย่อมอาจจะมีความข้องาดในองค์ไรตัเป็นได้แล้วให้ทาบตัวดีเสมอเมื่อผิดให้ทราบว่าผิดและพยายามแก้ไขไม่ให้มีผิดมาหนะ้าถือตนว่าดีว่าถูกต้องเสมอ มันมีชื่อตะเกือนเห็นชอบแล้วว่าเป็นการถูกต้องต้องยอมรับทำพิพิธเวลาผู่น้อยเพราะงั้นตัน้งแตพระมหาเลยละที่เป็นหัวหน้าสงลงมาตรงกระทำถึงพระนวกาศองคสุดท้ายต้องมาต่อห น, น้าต่อกันกันราะความติดพลาดนั้นร่อมมีได้ทั้งผีห้หญ่คุณน้อยให้มีที่ถือมานักในคนแบบนี้ให้เตือนได้พุทธิยัำปีกาเตรียมปีก็เปิดโอกาสให้เป็นขั้นที่นึ่ขั้นที่สองขัง้ ง, ขงที่สามไปเลย ให้กเกันได้เพรอย่างยิ่งคือนะักปฏิบัติได้แล้วอย่าให้มีพิธีมานะักอันใดโดนกันเลยคือขาดข้องต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งมัใช่นาศหรือไม่ใช้ฐานะของผู้ปฏิบัติจะนำมาคช้ในเรืแห่งการปฏิบัติจะเป็นการขัดข้อง่อแต่ตนนั้นเองเพืนแน่นอยจิตใจสะอาดวันเชิญข้าสุหรือสงบเพ่อนยิงไม่ได้เพราะใจเป็นสิ่งสำคัญรับอารมณ์ได้ง่าย เมื่อรับแล้วแก้ไม่เคยตกง่ายง่าคือกรรมแล้วไม่ปล่อยวางก็คือใจรับอารมณ์ใดแล้วต้องรับผิดเสมอแล้วรับมันเรื่อยหนักเท่าไรไม่ว่าแต่เข้าใจว่าตัวดีเสมอนั่นแ่ะคนเราที่รับความขุ่นยากลำบากเพราการเข้าตัางตัวถ้าเห็นรับผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกก็เป็นของดีให้สุนก็พยายามแก้ไขสิ่งที่อย่างหนเาเป็นความผิด ซึ่งจ ะ, ะแสดงผลเป็นพลึกนั้นให้เข้าสู่ความถิดต้องมีงานมันเป็นผลให้เกิดความสุขความสงบเยนใจก็เกิดขึ้นที่อยู่ในวงคณะอย่างนี้ยิ่งเป็นสิ่งจำัญ็นจะให้มีเรื่องที่สี่มกนละต่อกันไม่มีใครจะสเสนอเสนอบรรณานักรนอกจากคนพานเ ท, ท่านั้นเสนว่าตรงนี้ก็เหมือนนะสิดคุกติดตารางเวลาเขาไปถาม เป็นอะไรคึณต้องมาติดคุกติดเรางอย่างนี้ยังต้องเขายังต้องพูดแก้ตัวอีกต้องหวาวาต้องหาว่าผมทําอย่างนั้นผมรักผมตกผมต้องผมกระดผมผ้าผืนผ้าคนอะไแลบน้แต่ไม่ยอมรับความจริงขนาดจะติดคุกติรางนใหถือตัวว่าแข็งแข็งในติดเรือนนั่นไม่ใช่ทางเดินของคนหวงงานความดีแล้วไม่ใช่ทางเดินของ เพอย่างนี้นักปฏิบัติเลยแล้วต้องเปิดโอกาสให้กันก็งหมือนถือความถูกต้องมีงามเพราะนั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นทางเลยหรือรอย่างนี้คือทั้งหมดที่เรียนมันยังอยู่ก็ตามทำงานยังไม่ได้ขอให้แสดงออกในเรื่องเหลนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนานาวดีมาใจชาบ้านเขาตีเขายิงป่ายิงคล้องที่ตีที่อย่างอาหารตัดใจเรื่องปัจจัยสี่ชาบ้านจะรับรองหมดให้อยู่เย็นเป็นขุน สะดวกสบายทุกอย่างที่อยู่เที่ทยวสของยุรา้าอ่าสรมงจีวันของ้เปลือกอาหารอยู่ในบัตรเขาไม่อ ด, ดทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนทีลานเคยสัตยาแค่โรคแต่ใครก็ไม่อดเราตั้งใจตัวชี้ปฏิบัติดีแล้วมันจกเกิดมาเองเพราะอำนาจของธรรมธรรมมีอยู่ในโลกอะไรเสื่อมสึงเราจานไปไหนผู้ปฏิบัติดีย่อมเป็นผล เห็นประจักษ์ในตัวผี้นั้นผู้ปฏิบัติทั่วจะเห็นผลเป็นทุกข์ในตัวเองเพราะทำมีบาปบุญจริงมีอยความสุขความทุกข์จะไปจากอยู่จากผลที่ไหนต้องรวมมีอย้วยมีผลซึ่งกึ่หลักทำนั้นเด็ก่า้อยู่ร่วมอยู่ร่วมคณะต้องอ า, จาใจใส่กัน เรานยาดคิดเห็นถึงวัาใจเราคึดเห็นหัวใจหมื่นที่เราือตลอดชุวะหน้าปีกันไงนะไรมันตัดมันทํางต้องสบต่อคิดน้นคิดนี้เพื่อตนเพื่อทรามเพื่อผู้อื่นคนเราที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นคิดี่มานานนั้นใช่ไหมล่ะทำมาใช้ในศาสนาในวงนักนปฏิบัติถ้าตลาจะขายตัวเข้าไปเป็นไม่มีึีดีเลยถ้าเป็นของดีนักป่าท่านจะสอนไปแล้ว ก็ให้สั่งผลิอย่าง น, น, น, นี้ให้มากเคยมีความสิตเมื่อ่ะแต่นี้มีมากมีน้อยก็แสดงผลนีความเป็นทุกอยู่ตลอดมาตั้งแต่ข้างในหลนังจนกระทั่งหน้านี้ก็จะเป็นอย่างนีง้ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง่างความดีความทุกว์ที่จะต้องเกิดขึ้นในการทำศิษย์และศิของคนและศาสตร์ทั่วไปเราไม่เชื่อน้ักปราชญ์เราะจะเชื่อใครไม่เชื่อทัานสู้เฉลี่ยตลาดให้เชื่อท่นานผู้รู้หลักนละปราชแล้วเราจะเชื่อใคร คนในโลกเราหาที่เชื่อไม่ได้นอกจากคนเชื่อทำคนถือทำคนปฏิบัติทำและนอกจากทำเท่านั้นเราจะเชื่ออะไรขู่เรื่อยๆหลายครูผู้ปัญญาทุกทีทุกอย่างหลอกได้หลอกเอาต้มได้ต้มเอาเวลาที่เป็นผลประโยชน์จากตัวคนหนึ่งจะคิ้ายรายได้มากอะไรไม่สนใจทั้งตัวเองความสุขข้อกันอยากย่าทำลายเพราะน่าเป็น ความีความงามสงบเงียบแตผู้ปฏิบัติศาสนาเพื่อความเป็นผู้มีคุณค่ามีสาระแต่ตนจริงแตความอยานั้นดหละจิตใจท่านี้ารมณ์ายนอกเรื่องสิ่งข้ อ, ขอมองใจแต่นระกันโดยลทาทังปฏิบัติลลอ่โดีําทังมันก็เย็นร่อนเขมรร่อนเกลือ เ, เรื่องอะไรร้อนอยู่ก็เครียดมันเต็มภารทของน ต, งอตนต ไม่มีกา ร, ระตะโกนตะเกียรนะเป็นอีเ่องร้อนไปด้วยเพราะยังดีกว่าคนที่เอามาเรีล่ล่ามันมาขายในตลาดซึ่งมีใครซื้อผลติดท้ายก้อหน่าเป๊ติดเนื้อติดตัวไปอยู่ที่ไหนเป๊ะประหมดอยู่กับใครก็ไม่ได้คนทําตัวให้เหม็นให้เน่าเป็นอย่างนั้นการมาทึกษาคราูวจา น, า อ, น, านาอ่อนงไงกมันแ็งจิดถึงใจมั่ง นะฮันเป็นแบบเทน้ำแต่หลังทิ้งละเทแต่สระทั่ทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือออกไปง่้ยายังเหลือแต่ตัวงามความดีข้อวัดปฏิบัติที่พอจะยึดได้แต่ยึดไม่ได้เพราะความสนใจในขนาดที่อยู่กับท่านออกไปแล้วจะเอาความสนใจมา้างไหนเป็นเราก็สนใจปฏิบัติกับตัวการด่างดีนั่นเองออกไปข้างนอกออกจากคุณจากอาการไปที่ดีหลังยึด มีวงกรรมฐานครับแค่ก็เดินลำดับลาดับนะไรมีคุดอะไรไม่ติดนะไม่ได้ปวดคิดแล้วไปปุกมันแฝงหน้าแฝงหลังตัววาจานันยังมีดีอยู่ก็แฝงเรื่อยแทเ่งเป็นเป็นตัวอย่างใส่ในท้องก็เกิดเป็นนอนเป็นร่วงเันไทยนุ่นความนีม่เลื่อยเลยขาดทะลุไป สอนนี้แต่ละเพนเอาคำหมาเรงการวางตำแหน่งขายเลยดีๆก็ต้องเป็นแั้นเป็นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนร่องพุ่งเป็นกล้งถูกกล้องเขาูดไม่ถูกเขาเห็นไม่ตางก็เป็นงั้นก็ท่านเป็นมเป็น เป็นไปมากกเป็นที่อหนที่นี้คือมันคืบไปข้างหน้าไม่ได้แล้วมันก็ถอยหลังขึ้นพยายามก้าวไปเบ้าแล้วเห็นว่าลำบากแล้วก้าวมันไม่ง่ายแล้วะดวกไปแล้วต้องคืบเป็นนี้มากมีมาอะไรนันไม่เป็นไม่สนใจเป็นที่ไหนนั่เป็นที่ของนี่ มันเป็นเรื่องลับภ า, าเดี่ยวกับเรืงานที่กำลังแรนงานแต่ความเพียนที่เหลือทราบเป็นยังไนที่เลือยังไม่ได้ออกด้วยมันอยู่ในหัวใจของคนอยู่ในหัวใจของเราแต่าความเพียนจะเห็นห่างไปไม่น่าไม่ทันกับที่เหลที่เหลือจะเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าในทางสามนอกพรรษากล่าวถมายแล้วมันเหยียบย่ำลายั้งนั้น การใดสมัยไดแล้วการข้ามความคืนดินเนินน่นมันเหียบได้เรานั้นเหียบคนไม่กลัวเสือเมีพลังกหขาววิปัญญาชี้เกียดตง่ายๆนั่นน่ะมันเหยียบย่ำทำงานได้ดีเป็นเียงเจตท้ามันได้อย่างเหมาะสวยงามมากเราจะเป็นเสียงเจตท้าที่เจตท้าของเสือหรือเราจะเป็นที่เราละภาชนะของเราทาของพระพุทธเจ้าติดใจทั้งน้ำหนักตัวให้ดี เป็นทุ้ยังมีความลับติดรอบอยู่ดังที่เป็นอยู่นี้ก็ควรหาวิธีการลักติดรอบตนด้วยความขยันหมั่นเพียรความพยายามตัดแต่ติดทิ้งความติดข้ารั้นข้าตัดติดใจให้มาตรวจเอางี่หาถ้ามันหมดไปวันนั้นเล็กน้อยแต่ให้คิดเหตุมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกครั้งทั้งนก็เข้าใจว่าเป็นความความเพี้ยนคเพี้ยนอะไรก็ไม่ตัดเพีนเพื่อสังคมคิดเหตุนี้ก็มี เราดีว่าดีคงไปก็ดีทานิงสารเป็นเงินเดินชดเชยส่แก่แตประกด็นว่าไม่เตี้ยทำมีขนาดที่ทำทอยู่กับเพื่อนทุกคนความรัความประพฤติปฏิบัติดีเปที่รอมีอยู่กับทุกคนก็ทาให้มีพระผงทานจงให้มีี่แก่สีลบาปุก็มีี่แก่สีลาที่เกิดอันหามีี่แจ่สีลาทาที่ไหนเกิดที่่ะนนาเกียบกันดูกับเราทั่วอภิษฐรรม การปัญญาอธิบายเข้าใจไหมผมอธิบายนี้มีปุจจิกายนเราทำเรารับหรือความปุจจิกายนคามอาถารก็อยู่เก้าคนเพราะเคยกต่งร่าถ้ามันจะทําันเคยจะปวดไม่กลดกันไหนเป็นทำวมคุณสั่เราอยได้มื่อไรเราทำใจะเป็นขึ้นคางก็ไม่เห็นคนมือยกข้างก็ไาเห็นต่างนี่วันจี ท่านั้นเดินขึ้นขานักขนาดทำไมผู้จางมันเพื่อนเพา่อนมดขึ้นข่าวน้ดเดียวราไม่เอามาเป็นกระตีกัวยางเขนนี่นะจากผู้ดีมัดเป็นกรัตีกัวยางผู้ดีผู้ฉลาดแล้วค่อท่าตรงนี้คึ้นข่าวให้เรื่องพฤติกรรมท่านมั่นมดขโมยคนมั่งขึ้นข่าวนี่ติอใจพระโทษเนี่ยขายเป็นตรงประท่านดีไหมถึงนักการันต์ที่เปรนม่ามันนะต้องเป็นทางข้ามธรรมเนี่นะ สามโลกไม่ก ja er. ับขื้นได้ือขดไม่สามโลกธาตุเพื่อจุดาษมกับทงนั้นเราทำไมจะถึงวิกงวิ่งเับเก่ากัดสามารถ้นคว้าโยกทั้งสามตะวันโยกทั้งสามกาดขึ้นแล้วทาไมกาบไม่ลงวิจุดดีมานันหัข้ากเห็นดีด้วยแต่เห็นดีด้วยอันใดท่านใจนิ่งเนี่ยทุกปีเี่ย มองเห็นดีด้วยแม้สิงหยุเส้นเหดีด้วยแม้จะไม่เห็นด้วยอัดลายไม่ควรรู้ข้องจิตเห็นดีด้วยเห็นดีด่างเมองเหนด้วยน่ย่างเงินนั่ง้อว่าคิดว่าวาคิดล่องได้ได้อย่างดีไหล่ะกข้นระขนาดนี้พวกทา เร้ยินคมากมาเล่าชุดที่ติดต่อทำงานท่ายงมันนี่ไหมที่จะต้องทิดง่งาเลยแค่ทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยผลทุกทิ้งถึงเราดวงมันอนักเลยเขาโยกของหนี้นักเลยผลทำย่งหน แลวนะ <laughs>